ยี่สิบเจ็ดธรรมะเห็นได้สามแบบวงเล็บเปิดยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้า้อห้าสิบจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดการภาวนามีสองทางนะทางหนึ่งไปแบบแห้งแล้งเจริญวิปัสสนารวดไปใจจะแห้งแล้งทางหนึ่งเดินแบบเดินสองขาสบายหน่อยช่วงไหนแห้งแล้งก็ทำความสงบเข้ามาช่วงไหนสงบแล้วนะก็ออกมารู้กายรู้ใจไป ถ้าสงบแล้วก็พอใจในความสงบมันก็ไปไหนไม่รอดอีกฉะนั้นเราก็ต้องดูจังหวะของเราทําสมาธิได้ทําไปทําเป็นระยะระยะไปนะได้ทุกวันก็ได้แบ่งเวลาไว้ทำสิบนาทีอย่างนี้ยี่สิบนาทีไม่ต้องเยอะเวลาส่วนมากสติของเราอัตโนมัติแล้วเราก็มาใช้เจริญสติทีนี้พอสติเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นใจเรามันจะเริ่มเห็นธรรมะ ที่มันเข้าไปเห็นธรรมะได้มันเห็นได้สามแบบพวกหนึ่งเห็นทุกทุกคนเห็นทุกนะแต่พวกหนึ่งเห็นทุกนี่เพราะเห็นว่าทุกอย่างเต็มไปด้วยความแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เห็นทุกเพราะว่าไปเห็นอนิจจังเข้าบางคนเห็นทุกเพราะเห็นความทุกข์จริงๆเห็นมันถูกเสียดแทงร่างกายจิตใจนี้ถูกความทุกข์เสียดแทงบีบคั้นแทบจะแตกสลายเลยพวกที่เห็นแบบนี้แล้วหลุดพ้นนี่เป็นพวกที่เล่นสมาธิมากๆ พวกเล่นสมาธิมากมันมีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยปล่อยไม่ได้เพราะชอบพระธรรมก็เมตตาปราณีเรานะเอาความทุกข์มาให้ดูทุกข์สุดๆเลยแบบไม่ตายก็บ้าเลยทุกข์จนกระทั่งมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งมันถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงถูกกดดันทั้งกายทั้งใจนี้ใจถึงยอมวางนี่พวกหนึ่ง ทีนี้อีกพวกหนึ่งพวกนี้ไปธรรมดาธรรมดาเห็นเห็นไปนะดูไปเรื่อยเรื่อเห็นทุกอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักอย่างก็วางไปเฉยเฉยพวกนี้สบายสบายไปง่ายๆมีหลายแบบนะแต่รวมความแล้วการภาวนาไม่ว่าจะฝึกแบบไหนการภาวนาที่ถูกต้องต้องรู้กายต้องรู้ใจการรู้กายรู้ใจก็ต้องมีสติอันหนึ่งมีสัมมาสมาธิอันหนึ่งสองอันช่วยกันมีสติเป็นตัวระลึกรู้ อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอยู่เรียกว่ามีสติมีสัมมาสมาธิคือในระหว่างที่รู้สึกกายรู้สึกใจนี่ไม่เผลอไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไปเพ่งกายไม่ไปเพ่งใจสักว่ารู้สักว่าเห็นดูอยู่ห่างๆเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดู